ผู้หญิงคนหนึ่งหนีความจอดแจขับขั้งกลางกรุงเทพมาอยู่บ้านจัดสรรชานเมืองทีแรกก็อยู่สุขสบายดีแต่ว่าสองสมปีต่อมาก็มีผู้ชายคนหนึ่งย้ายมาอยู่บ้านติดกับรั้วของเธอ แล้วก็นับจากนั้นก็ชีวิตเธอก็หาความสงบได้ยากเพราะว่าเพื่อนบ้านชอบเอาทังขยะมาตั้งไว้หน้าบ้านเธอโดยพอลากลางค่ำกลางคืนนี่ก็มาวางเป็นประจำทีแรกเธอก็นิ่งเฉยไม่ทำอะไรเพราะว่า มามก็มาคุยเคียถังขยะขยมะมันก็กระจายกระจายตกหล่นเรียลาดเลิศเธอหน้าบ้านเธอก็ไปเรียกให้เพื่อนบ้านมาจัดการเพื่อนบ้านก็ไม่สนใจสุดท้ายก็ต้องกวาดขยะหน้าบ้านออกไปทำนี้เป็นประจำ เคยบอกเพื่อนบ้านเคยทวงเพื่อนบ้านให้อย่ามาวางถังขยะไว้หน้าบ้านก็เขาก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้จนบางทีก็พอทวงบ่อยบ่อยเขาก็เกิดบากเสียงขึ้นมาผู้หญิงคนนี้ก็เลยไม่อยากมีเรื่องมีราวแต่นั่นก็หมายเขาว่าท่าทุกเช้าก็ต้องมากวาดขยะที่ ไม่ได้มาจากบ้านของเธอเลยกวาดไปก็บ่นไปกวาดไปก็บ่นไปมีความหงุดหงิดมากตอนหลังนี่แค่เห็นบ้านเห็นหลังคาบ้านของเพื่อนบ้านนี่ก็หงุดหงิดละเพราะว่า เห็นหลังคาบ้านที่หลายก็นึกถึงหน้าของเจ้าของบ้านให้ความโกรธความไม่พอใจก็พุ่งขึ้นมาก็เลยอยู่บ้านอย่างไม่มีความสุขออกไปนอกบ้านบางทีมีความสุขมากกว่าอีกกเข้ามาในบ้านนึกถึงหน้าเจ้าของบ้านที่อยู่ติดกันแล้วก็บางทีก็เครียดจนความดันขึ้นก็มี นี่เรีว่าเป็นทุกข์นะของคนจำนวนไม่น้อยนะในเมืองนะมีความทุกข์เพราะเพื่อนบ้านหลายคนนี่เวลาแผ่เมตตาก็แผ่เมตตาสัรพสัตวได้หมดเลยสัรพสัตในสากลโลกก็แผ่ให้เมตตาได้หมดยกเว้นคนเดียวนะคือเพื่อนบ้านที่อยู่ติด ก, กัน หลายคนก็มีความทุกข์มีความทุกข์มีความขับแค้นใจนะเพราะเพื่อนบ้านนะทำตัวไม่น่ารักนะประพฤติตัวน่าระอาเห็นแก่ตัวแต่จริงถ้าดูให้ดีเนี่ยตัวการที่ทำให้ผู้หญิงคนนี้หรือว่าคนที่มีประสบการณ์คล้ายๆกันเนี่ย มีความทุกข์ใจเนี่ยมันไม่ใช่เพราะขยะหน้าบ้านหรือว่าเพื่อนบ้านตตัวการที่แท้จริงเนี่ยก็คือจิตใจของผู้หญิงคนนี้เองนะคือใจที่เป็นลบนะความรู้สึกลบต่อขยะหน้าบ้านใจที่โกรธชิงชัง เพื่อนบ้านตรงนี้คือตัวการสำคัญมากกว่าขยะที่อยู่หน้าบ้านเนี่ยถ้าหากว่าไม่รู้สึกลบกับมั น, เ, นเวลาเธอเห็นก็คงไม่ทุกข์นะบางคนเนี่ยเขามีอาชีพยอยู่ด้วยการกวาดขยะยิ่งถ้าเกิดว่านับเอา น้ำหนักของขยะนะรายได้ขึ้นอยู่กับน้ำหนักของขยะถ้าขยะเยอะรายได้ก็มากเนี่ยเห็นขยะนี่แทนที่จะเสียใจหรือโกรธหรือไม่พอใจกลับดีใจได้ซ้ําทําไมบางคนเห็นขยะแล้วเขาดีใจทำไมบางคนเห็นขยะแล้วเป็นทุกข์นีก็เพราะความรู้สึกที่ต่างกันนะต่อขยะ มันไม่ใช่เป็นเพราะว่าขยะเป็นปัญหานะแต่เป็นเพราะความรู้สึกต่างหากถ้ารู้สึกเป็นบวกกับกับกองขยะมันก็มีความสุขอย่างพวกสาเล่งนี่เห็นขยะนี่เขาชอบเลยนะบางคนก็ร่ำรวยนะจากกองขยะเห็นขยะทีไรก็ดีใจ ถ้าทำไมบางคนเนงขยะแล้วว่าเป็นทุกข์นะก็เพราะใจนะใจที่เป็นลบใจที่ปฏิเสธผักใสนะตรงนี้ต่างหากนะที่มันเป็นปัญหาแต่คนส่วนใหญ่หมอไม่ค่อยเห็นนะเวลามีความทุกข์ก็มองไปที่ข้างนอกนะไปโทษขยะไปโทษเพื่อนบ้านที่เอาขยะมาทิ้ง จริงๆเนี่ยให้เพื่อนบ้านที่น่ารอานี่เราเลือกไม่ได้นะอยากจะได้เพื่อนบ้านที่น่ารักไ อ, อ้ความแบบนี้มันเลือกไม่ได้บางทีก็เจอเพื่อนบ้านที่น่ารอาครั้นจะขับสายไล่ส่งหรือกําจัดเขาก็ทําไม่ได้นะ แต่ว่าสิ่งที่เราทำได้คือใจของเรานะเราเลือกได้นะระหว่างกวาดขยะด้วยใจที่สงบมีสติกับการกวาดขยะนะด้วยใจที่ขุนมัวนะด้วยใจที่หงุดหงิดนะอันนี้เราเลือกได้ เพื่อนบ้านนะที่น่ารักนี่เราเลือกไม่ได้แต่ว่าใจที่สงบนะเวลากวาดขยะนี่เราเลือกได้นะแล้วเราจะเลือกอะไรนะระหว่างกวาดขยะด้วยใจที่สงบเป็นสมาธิกับกวาดขยะด้วยใจที่ขุนมัวอันไหนที่มันมันจะเกื้อกูลต่อสุขภาพจิตของเรามากกว่ากัน คนส่วนใหญ่กับเลือกเนะี่ยที่จะกวาดไปก็บ่นไปกวาดไปก็บ่นไปอันนี้เป็นพ่อเขาไม่มีสติกับการกวาดนะถ้าเรากวาดขยะยังมีสตนะิก็จะไม่ปล่อยใจให้ไปออกนอกตัวนะกวาดไปก็นึกถึงหน้าเจ้าของบ้านที่เอาเขาอยะมาทิ้งเนี่ยถ้า กวาดแบบนี้ทำใจแบบนี้มันก็ทุกข์เลยกวาดไปก็ทุกข์ไปอันนี้เรียกว่าเหนื่อยสองอย่างอย่างที่พูดมเมื่อวานเหนื่อยกายแล้วก็เหนื่อยใจคนเราถ้าจะทำอะไรแล้วต้องเหนื่อยก็ควรจะเลือกเหนื่อยอย่างเดียวนะก็คือเหนื่อยกายนะแต่ว่าใจไม่เหนื่อยใจไม่เหนื่อยเพราะว่าใจมีสติ เ, เวลากวาดขายะก็มีสติรู้ตัว ใจอยู่กับการกวาดอย่าใจเผลอไปไปนึกถึงหน้าเพื่อนบ้านเกิด อ, อารณ์ขุ่ขุนมัวขึ้นมาก็รู้ทันวางมางันลงซะแต่บางคนไม่ไม่ยอมนะจะต้องนึกกลดา่าเพื่อนบ้านให้ได้ถ้าไม่กลดา่ารู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรม นะถ้ากลด่าแล้วก็จะควยเป็นธรรมนะแต่ว่ามันเป็นประโยชน์กับเราแค่ไหนนะเราจะคิดว่าการที่ได้กลด่านี่เป็นการแก้แค้นนะทำอะไรกับเขาไม่ได้ด้วยวาจาด้วยการกระทำก็ทำที่ใจทำไปกลด่าไปรู้สึกว่ามันสะใจดีแต่ว่าที่จริงนี่มันกลับเป็นการทำร้ายตัวเองนะ แล้วก็ด่าไปก็ไม่ใช่มีความสุขนะกวาดเสร็จก็ก็ยังขุนมัวอีกนะบางทีกวาดเสร็จมีพระมาอาจจะใส่บาตรพระแทนที่จะใส่ด้วยจิตใจที่ผ่องใสแทนที่ใส่บาตรแล้วนะใจจะเบิกบานบอกว่าขุนมัวนะใส่บาตรพระด้วยใจที่ขุนมัวเพราะ นึกถึงขยะที่เจ้าของบ้านเอามาทิ้งเอาไว้หรือว่าพอใสบ่บาเสร็จเห็นขยะนะก็ฉุนปรีดขึ้นมาไอ้ น, นี้บุญที่ทำนี่มันตกหล่นเลียนล่าหายหมดเลยนะแทนที่จะได้บุญจากการใสบ่บาศก็ไม่เหลือรอเลยนะบุญไปตกอยู่กับพระหมดนะคือพระก็ได้อาหารไปนะเป็น เครื่องต่อชีวิตส่วนความสงบความแจ่มใสความเบิกบานนะที่จะมาหล่อเลี้ยงใจของผู้ใสก็สูญหายไปหมดนะเพราะว่าถูกไฟโทสะมันเผาผลาญอันนี้ไม่ใช่วิสัยของคนฉลาดนะเวลาทำบุญก็ทำด้วยจิตผ่องใสใจเบิกบานแต่มันทำไม่ได้เสร็จแล้วนะเพราะว่า เก็บรักษาความโกรธเอาไว้หรือไม่รักษาใจปล่อยให้ความโกรธเข้ามาครอบงาจริงๆถ้าว่าเรามีสตินะกับการกวาดนะทำไปก็รู้ตัวไปทำไปก็รู้ใจไปด้วยนะมันจะไม่ใช่เป็นแค่การกวาดขยะออกไปจากหน้าบ้านนะแต่ยังช่วยกวาดขยะออกไปจากจิตใจด้วย ในทางตรงข้ามถ้าไม่มีสตินะถึงแม้มือนี่จะกวาดขยะออกไปหน้าบ้านนะออกไปไกลาจากบ้านแต่ว่าใจนี่กลับไปเก็บกวาดเอาขยะอารมณ์มาไว้ในใจมาไว้ข้างในอกอันนี้เรียกว่าขาดทุนนะกวาดขยะทั้งทีก็ให้มันขวาดกวาดทั้งขยะที่อยู่หน้าบ้านแล้วก็ขยะที่อยู่ในใจด้วยไม่ใช่ทาตรงข้าม ขยะออกไปให้ไกลาจากบ้านแต่ไปเก็บเอาขยะอารวมมาไว้ข้างในอกในใจเราถ้าวางใจไม่เป็นนะก็จะทุกข์เพียงแค่เห็นด้วยตานะหรือว่านึกในใจถึงคนที่เขาทำตัวไม่น่ารักแต่อย่าว่าแต่คนที่ อยู่ไกลหรือว่าไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับเราคนที่ทำตัวน่าระาอาแม้กระทั่งกับคนที่อยู่ใกล้ตัวเราคนที่เรารักถ้าเราไม่รู้จักวางใจให้ถูกไม่มีสติตามรู้ดูใจของตัวเราก็สามารถจะขุนเคืองเพราะคนใกล้ตัวได้ไง่าย ไม่ใช่แค่คุณเคยอย่างเดียวนะก็ยังสามารถจะสร้างความทุกข์ให้กับเขาได้ด้วยอย่างคนที่ดูแลพ่อแม่นะดูแลพ่อแม่ก็รักนะมีความกตัญญูเวลาท่านเจ็บป่วยก็ดูแลเอาใจใส่แต่เวลาท่านทำบางอย่าง นะที่ไม่ถูกใจเราหรือว่ามีพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่ค่อยเป็นผลดีกับสุขภาพของท่านเช่นเป็นเบาหวานแต่ยังอยากจะกินของหวานกินไอติมนะหรือว่าเป็นมะเร็งปอดก็ยังอยากสูบบุหรีนะ่ไม่ยอมเลิก ในความปรารถนาดีของลูกเนี่ยอยากจะให้พ่อแม่มีสุขภาพดีพอเห็นพ่อแม่ทํางนั้นเป็นยังไงจากความรักกลายเป็นความโกรธเลยเนะลูกหลายคนนี่โกรธนะหงุดหงิดพ่อแม่ที่ไม่ยอมปฏิบัติ ต, ตามคําสั่งของหมอหรือตามคําแนะนําของลูกสูบบุหรี่ยังสูบบุหรี่ ยังกินอของหวานยังกินพวกอสิ่งที่มีไขมันเยอะพะโลงเงี้ยนะทุเรียนอย่างเงี้ยพอเห็นปุ๊บเนี่ยด้วยความปรารถนาดีนะก็ต่อว่าโดยที่ไม่รู้ว่าไอ้คำตอว่าเนี่ยมันตอนนั้นนี่มัน มันเป็นความมันออกมาจากความโกรธแล้วไอ้ความรองนี่มันกลายเป็นความโกรธได้ง่ายๆนะแล้วก็เกิดขึ้นบ่อยเนะีไม่ว่าความรักที่แม่มีกับลูกหรือลูกมีกับพ่อแม่นะปรารถนาดีกับพ่อแม่แต่พ่อแม่ไม่ไม่ทําตามที่ตัวเองเห็นว่าดีก็โกรธนะโกรธนี่ถ้ารู้ทันมันก็ไม่พูดออกไป หรือถ้าพูดออกไปนะก็พูดอย่างระมัดระวังผู้ให้ท่านเข้าใจนะเราก็จะได้รู้จักควบคุมตนเองแต่ว่าจํานวนไม่น้อยเลยเนี่ยระบายความโกรธออกไปทั้งทั้งที่คิดว่าพูดด้วยความปรารถนาดีแต่ว่ามันกลับไปสร้างความทุกข์ให้กับ พ่อแม่ของตัว แ, ตแล้วพอพ่อแม่ทุกตัวยงก็เครียดพ่อแม่บงคนป่วยป่วยจนกระทั่งเรียกว่าไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็มีเรียกร้องเอาโน่นเอานี้ให้ขยับเตียงขยับแล้วก็ไม่พอใจบอกให้ย้ายกลับมาจากซ้ายมาขวาจากบนลงล่าง ทำอย่างนี้ทั้งทั้งเช้าก็แล้วบ่ายก็แล้วก็ยังไม่หยุดนะบางทีตกมาถึงค่ําลูกบางทีหงุดหงิดมากนะพ่อแม่ไม่เป็นดั่งใจเป็นอย่างนี้มาติดต่อกันเป็นอาทิตย์นี่มีนะบางคนนี่ลูกชายบางคนนี่ถึงกับขยจับคอเสื้อของพ่อนี่ข ย, ย่าว เขย่าคอแรงๆว่าทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมดื้อเหลือเกินทำไมไม่อยู่นิ่งๆสักทีเนะี่ยเขย่าคอเสื้อพ่อนี่เรียกว่าตกตะลึงกันกันทุกฝ่ายเลยนี่เพราะอะไรนะเพราะอาการที่ไม่รู้จักดูใจของตัวน ไอความปรารถนาดีก็เลยกลายเป็นความโกรธสร้างความทุกข์ให้กับคนที่เรารักได้แล้วตัวเองก็ทุกข์นะตัวเองก็ทุกข์คนที่ตัวเองรักปรารถนาดีก็ทุกข์จริงๆไม่ต้องทำอะไรนะเวลาดูแลคนป่วยเนี่ยแค่ดูแลใจตัวเองให้ดีคนที่ดูแลเนี่ยไม่ใช่แค่ดูแลผู้ป่วยไม่ใช่แค่ดูแลพ่อแม่เท่านั้น สิ่งสําคัญอย่างนี้คือการมาดูแลใจของตัวด้วยดูใจของตัวอย่าให้ให้ความให้ใจที่ปรารถนาดีใจที่เต็มไปด้วยความกาตัญญูซึ่งเป็นกุศลทั้งนั้นนะมันกลายเป็นใจที่หงุดหงิดนะรำคาญ ร, ระอาหรือว่ากลายเป็นใจที่พอใจมันพลิก กลเป็นอกุศลแบบนี้แล้วนี่นั้นก็สามารถจะสร้างความทุกข์ให้กับคนที่เรารักแทนที่จะช่วยเขานะกลับซ้ําเติมเขาก็มีโดยไม่รู้ตัวนะโดยไม่ตั้งใจแต่นั่นเป็นเพราะว่าปรารถนาดีกับเขามากเกินไปหรือว่าดูแลเขาเกินไปจนลืมมาดูใจตัวเองให้รักพอ่อรักแม่ปรารถนาดีกับพ่อแม่ดีแล้วนะ แต่ถ้าไม่ดูใจตัวเองเนะความผิดหวังมันก็หรือการที่เห็นอะไรไม่ถูกใจมันก็สามารถจะเปลี่ยนความเมตตาให้กลายเป็นความโกรธได้และแทนที่จะดูแลเขาก็กลายเป็นการซ้ำเติมเขาหรือทาสร้างความทุกข์ให้กับเขาเสร็จแล้วเราเองซึ่งเป็นลูกก็มาเสียใจผิดหวังรู้สึกผิดกลัดกลุ้มใจว่าทำไมาเราทอย่างนั้น ให้สเรื่องที่พูดมานี่ที่จริงก็เป็นเรื่องเดียวกันนะกวาดขยะพอเพื่อนบ้านด้วยความกวาดขยะด้วยความไม่พอใจที่เพื่อนบ้านเอามาทิ้งเอาไว้หรือว่าระบายอารมณ์ใส่ใส่พ่อแม่ที่เราอุตส่าห์ดูแลด้วยความรักด้วยความปรารถนาดีมันเป็นเรื่องเดียวกันหรือเป็นเรื่องที่มาจาก าสาเหตุเดียวกันนะก็คือการไม่มีสติจะทำอะไรก็ตามเนี่ยจะทำแค่พังนอกอย่างเดียวไม่ได้นะต้องหมั่นดูแลรักษาใจของเราด้วยไม่ว่าสิ่งที่ทำนะั้นมันจะเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยคือเพื่อนบ้านหรือว่า เกี่ยวเหมือนกันนะแต่เกี่ยวในทางลบก็คือสร้างปัญหากับเราหรือเกี่ยวข้องคนที่เขามีบุญคุณกับเรานะเมื่อทำอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องเขาเนี่ยสิ่งสำคัญคี่ต้องกลับมาดูใจของเราอยู่เสมอรักษาใจ้องนร้ใหดีที่จริงความทุกข์ของผู้หญิงที่กวาดขยะเนี่ยนอกจากความสึดลบต่อ ตอขยะที่มันมาเร่รายาดอยหน้าบ้านแล้วเนี่ยไอ้ที่สัมมถคือความรู้สึกลบความสึกโกรธจริงชังเพื่อนบ้านด้วยถ้าไปรักษาไปหล่อเลี้ยงความโกรธเอาไว้นะมันก็มีแต่ทุกข์ใจบันทีทาให้กินไม่ได้นอนไม่หลับบางคนก็ความดันขึ้นเลยนะเพราะว่านึกถึงแต่ไอ้เพื่อนบ้านที่เห็นแก่ตัว รวดวติดกันเนี่ยมันทำให้เห็นอยู่เห็นแล้วนึกถึงกันบ่อยๆแล้วคนเรายิ่งเกลียดยิ่งชิงชังก็ยิ่งนึกถึงได้ง่ายบางทีนึกถึงมากกคนที่เรารักอีกนะพ่อแม่นี่เรารักแค่ไหนลูกนี่เรารักแค่ไหนนี่บางทีก็นึกนึกไม่บ่อยแต่คนที่เรากรธเกลียดนี่เราจะนึกบ่อยมากเลยอนึกเราเป็นทุกข์ไหก็เป็นทุกข์เนะีย เราจะประคองรักษาความโกรธความเกลียดความจริงชังกับเขาไว้ทําไมนะอันาฉลาดนี่รู้จักแผลเมตตาแผลเมตตาให้เขาเพราะบางทีคนแบบนี้ก็น่าสงสารมีพฤติกรรมแบบนี้นะมีนิ ส, สัยแบบนี้นี่ยากที่จะหาคนรักหรือคนที่จริงใจเข้าได้พอเราคิดไปไกลๆนี่ก็ ไม่ใช่ไม่ใช่หน้าด่าหน้าแก้แค้นนะแต่ว่าหน้าสงสารมากกว่าพอเราแพ้ไม่ตายเขาใจเราก็สบายที่จริงเนี่ยคนแบบนี้เนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงได้นะถึงแม้ว่าจะไปพูดไปต่อว่าเขากี่ครั้งกี่ครั้ง ก็เหมือนเดิมแต่ถ้าเราลองใช้วิธีอื่นดูนะมันอาจจะได้ผลนะมีหลายคนนะเขาเจอปัญหาเพื่อนบ้านแบบเนี้ยหรือว่าหนักกว่านี้มีคนหนึ่งนี่ข้างบ้านนี่มีการก่อสร้างนะสร้างตึกแล้วก็ทุกวันเลยนะคนงานก่อสร้างก็จะโยนอะไรลงมา ใส่ขยะมั่งนะพลาสติกมั่งลงมาแล้วมันก็มาอยู่ไห น, นก็มาอยู่ที่หน้าบ้านอยู่ที่สนามหญ้าในบ้านของเขามีขยะลงมากองอยู่ที่สนามในบ้านเขาเป็นประจำเขาก็ไปต่อว่านะทีแรกก็ไปบอกก่อนบอกแล้วไม่ได้ผลก็ต่อว่า คนงานก่อสร้างก็ไม่ได้ผลนะกับแย่กว่าเดิมนะก็โกรธนะแต่ตลังก็มีคนแนะนำว่าลองใช้วิธีนี้ดูสินะมีขน ม, มนะมีอะไรก็ไปให้คนงานก่อสร้างไปให้คนคุมงานด้วยนะเทศกาลปีใหม่สงกรานเนี่ย หรือตุจีนี่ก็อ่ก็เอาขนมเอาขนมเปี้ยเอาของขวัญเอาอะไรไปให้ฉันเพื่อนบ้านที่ดีเจอหน้ากันก็ไต่ไท่ถ า, ถามทุกสุกนะก็ก็ทำนะเราก็ทำอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งสนิทสนมคุ้นเคยกับคนงานก่อสร้างกับคนคุมงานนะช่างรับเหมาเพราะว่า ไม่นานแล้วนะไอ้ขยะก็หายไปจากสนามในบ้านเขาเพราะอะไรนะเพราะว่าพอเป็นเพื่อนกันละนะพอคุ้นเคยกันละพวกคนงานก่อสร้างก็เก่งใจนะคนคุมงานพวกช่างกช่างรับเหมาก็ดูแลใจใสดีขึ้นนี่ธรรมดานะไม่ใช่เฉพาะนิสัยคนไทยมันทั่วไปนะ ชาติไหก็ตามเนี่ยพอเป็นเพื่อนกันแล้วนะีมันก็มีความเกรงใจเออปากขอก็ทำให้บางทีไม่ต้องเออดปากขอรู้เองนะความเกรงใจพอเป็นเพื่อแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่เกรงใจมันมีน้ำใจกันนะอย่างเช่นเวลาไปกินข้าวเนี่ยนะสังเกตไหมถ้ามันไม่รู้จักกันนีนะ่ต่างคนต่างก็เอาเปรียบกันแต่พอเป็นเพื่อนกันแล้วนี่บางที ต่างคนอยากจะออกให้นะอยากจะออกเผื่อให้อยากจะใจาจาให้ให้ความเป็นเพื่อนเนี่ยมันมันทำให้จากความเพียงแก่ตัวกลายเป็นความมีน้ำใจอันนี้ก็มีก็มีวิธีที่แก้ปัญหาเพื่อนบ้านนะไม่ใช่โดยการไปต่อว่าไม่ใช่โดยการไปเรียกตำรวจมาจัดการ เพียงแค่เปลี่ยนเขาให้กลายเป็นมิตรหยนะิบยื่นน้าใจไม้ตีให้ขเขาพอเป็นเพื่อนแล้วเนี่ยปัญหาก็หมดนะอันนี้ก็จะว่าไปมันก็เป็นเรื่องของการใช้ธรรมะทั้งนั้นเลยนะพระเจ้าตรัสว่าเนี่ยเอาชนะความชั่วด้วยความดีเอาชนะความตนิด้วยการให้ใหที่คนมีความทุกข์เพราะเพื่อนบ้านเนี่ย ส่วนนึงก็เพราะว่าลืมนะที่พระเจ้าได้สอนเอาไว้ลืมการทําจิตนะทําแต่กิจนะแต่ว่าลืมทําจิตกวาดขยะก็อันนี้เราเป็นการทํากิจนะแต่ว่าใจนี่ไม่ได้ไม่ได้ดูแลไม่ได้เอาใจใส่อันนี้เรียกว่าไม่ทําจิตไม่ทําใจนะทําจิตก็คือมีสติ นะดูแลพ่อแม่นะก็ไม่ใช่แค่ดูแลร่างกายของท่านอย่างเดียวนะดูแลจิตใจด้วยแต่ดูแลร่างกายและจิตใจของท่านยังไม่พอนะต้องกลับมาดูใจของตัวด้วยนะอันนี้เราต้องทําจิตไปพร้อมๆการทํากิจให้พอเราทําจิตด้วยทํากิจ ด, ด้วยนะ มันก็ได้ประโยชน์ทั้งสองอย่างนะงานก็เรียบร้อยใจเราก็เป็นสุขหรือว่าเราช่วยดูแลพ่อแม่ให้มีความสุขให้มีความทุกข์น้อยลงเราเองก็พลอยมีความสุขไปด้วยไม่มีความทุกข์เรารวมจิตใจแต่ทางตรงข้ามถ้าไม่ทำจิตแล้วนี่ไอ้กิจที่ทานี่ก็เสียหายนะ แทนที่จะช่วยเขาก็กลายเป็นการซ้ําเติมเขาแล้วถ้าเราทําจิตดีนี่ไอความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านมันก็จะมันก็จะพลอยดีไปด้วยถึงแม้ว่าเขาจะเคยสร้างปัญหานะทําตัวน่าละอายอย่างไรนะแต่พอเราทําจิตได้ดีเออเรามีเราพยายามที่จะมีเมตตากับเขาพยายามที่จะ ลดละความโกรธความจริงชังเขานะพยายามนะที่จะรักษาใจาตัวให้ดีมันก็ทำให้เราสามารถจะเกี่ยวข้องกับเขาได้อย่างเป็นบวกอย่างสร้างสรรค์ถ้าทำอะไรเนี่ยนะอย่าลืมนะสำคัญสุดสำคัญข้อหนึ่งคือต้องกลับมาดูใจตัวเองอยู่เสมอนะดูใจไม่ว่าเราจะทำกับใคร ไม่ว่าเราจะทำอะไรนะการกลับมาตามดูรู้ใจตัวเองเนี่ยมาช่วยทำให้สิ่งที่เราทำนั้นมันได้ผลและตัวเราก็จะเป็นสุขหรืออย่างน้อยก็มีความทุกข์น้อยลงด้วยเอาละชา้าทีก็พูด ก, กันเท่า น, นี้น ะ, ะกลับฮะ